เมื่อถูกปฏิเสธอาจยอมรับโดยทางเหตุผลแต่ลึกซึ้งลงไปเป็นการฝืนต่อภวะตัณหาจึงไม่อาจยอมรับได้เมื่อถูกปฏิเสธอย่างหนึ่งก็ต้องควารหายัางอื่นมายึดต่อไปอาจออกเปญนรูปอัตตาอย่างใหม่หรือประชดด้วยทฤษฎีที่ตรงข้ามกับอัตตาคือความไม่มีอัตตาชนิดอัตตาขาดศูนย์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 ผู้ฟังจะค่อยๆถอนอัตตานุทิฏฐิบรรเทาภวะตัณหาลงไปพร้อมกับที่คําถามเรื่องอัตตาค่อยๆละลายตัวหมดไปเองวิธีแสดงหรืออธิบายแบบแรกนี้มีผลแก่ผู้ฟังต่างกันมากกับการแสดงแบบที่สองตามแบบหลังนั้นผู้ตั้งคําถามมีภาวะตัณหาหรือไม่ก็วิภวะตัณหา ซ่อนอยู่เต็มที่อาจตั้งปัญหาเพื่อสนองตันหาของตนก็ได้พร้อมกับตันหานั้นก็มีทิฏฐิเป็นเงื่อนปมผูกอยู่ด้วยคือสัสตาทิฏฐิความเห็นว่าเทียงหรืออุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนอย่างใดอย่างหนึ่งการตอบรับหรือตอบปฏิเสธแก่คำถามเชิงอภิปรัชญายอย่างนี้แก่ผู้มีความยึดมั่นอยู่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 เขาก็จะแล่นเป็นลงข้อสรุปในทางตรงข้ามคือเป็นเที่ยงหรือเป็นขาดศูนย์อย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้าผู้ฟังโน้มไปทางสัสตาติฐิความเห็นว่าเที่ยงเมื่อตอบรับว่าอัตตามีก็จะส่งเสริมให้เขายึดมั่นในสัสตตติฐิแน่นแฟนถ้าปฏิเสธว่าอัตตาไม่มี เขาก็จะโดดไปลงข้อสรุปที่สุดทรงตรงข้ามว่าคำตอบนั้นหมายถึงขาดศูนย์คือเป็นอุเชธาทิฏฐิและทิ้งให้เกิดช่องว่างทางความคิดเช่นอาจคิดนอกรูนอกทางออกไปว่าในเมื่อไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีการฆ่าการทำลายเบียดเบียนกันก็ไม่มีผลอะไรไม่มีใครทำกรรมไม่มีใครรับผลกรรมจะทากรรมดีไปทาไม บางคนก็อาจเกิดปมกลัวความขาดศูนย์กลัวว่าเราจะไม่มีต่อไปบางคนก็อาจเห็นไปว่านิพพานเป็นความขาดศูนย์เลยใจตกไม่อยากปฏิบัติธรรมต่อไปดังนี้เป็นต้นนับว่าเป็นภัยร้ายแรงแก่ปุถุชนรวมความก็คือคําถามคําตอบประเภทนี้ ก่อผลแก่ปุถุชนในทางที่ทำให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านการสร้างความคิดเหตุผลไปตามแนวตัญหาและทิฏฐิของตนและต้องแล่นไปตกในทิฏฐิที่ตรงข้ามกันสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปคือถ้าไม่ลงสัสตาทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงก็ต้องลงอุเชทาทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ใช่ทางศ ส, สตาทิฏฐิ ไม่ใช่ทางอุเฉธาทิฏฐิบางคราวผู้ศึกษามองความหมายของคําว่าอัตตาในแง่เป็นเนื้อแท้หรือแก่นแท้ของสิ่งทั้งหลายทั่วไปคือมองในขอบเขตกว้างขวางออกไปกว่าอัตตาที่มนุษย์ยึดถืออยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีอยู่คงอยู่เที่ยงถาวรของชีวิตมนุษย์เองความจริงแม้ในความหมายแง่นี้หลักทั่วไปก็อย่างเดียวกัน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 และอุเชทัิทิฏกดังกล่าวแล้วข้างต้นถ้าจะตอบก็ต้องแยกแยะให้ดีเช่นไม่ตอบผงพางเป็นคำเดียวเดียวโดดเด็ดขาดว่ามีหรือไม่มีแต่ทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าสิ่งทั้งหลายที่คนทั่วไปเข้าใจและใช้พูดกันก็หมายถึงสิ่งที่เกิดมีตามเหตุปัจจัยทางพระเรียกว่าสังขารหรือสังคตธรรม สิ่งเหล่านี้มีอยู่ชั่วคราวหรือชั่วขณะเช่นรูปธรรม ท, ทั้งหลายเกิดมีขึ้นแล้วก็ดับหายไปเกิดดับเกิดดับมีอยู่อย่างมีเงื่อนไขคืออาศัยการเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเป็นปฏิจจสมุปบนทธรรมทำนองเป็นกระแสเป็นกระบวนดังนั้นแทนที่จะใช้คำตอบว่ามีหรือไม่มี ท่านจะพูดยงไปหากระบวนธรรมหรือพูดถึงกระบวนธรรมะแทนคือไม่พูดถึงสิ่งนั้นเดี่ยวโดดแต่พูดถึงกระบวนการที่สิ่งนั้นปรากฏขึ้นคำตอบเหล่านี้มุ่งเพื่อปฏิเสธภาพของสิ่งทั้งหลายที่คนเรายึดถือเอาไว้ผิดผิดแม้คำว่าอนัตตาก็มุ่งเพื่อปฏิเสธภาพอัตาซึ่งตันหาและทิฏฐิได้สร้างขึ้นมายึดถือไว้ผิดผิด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 ไม่มีทั้งอัตตังทั้งนิรัตตังหรือไม่มีทั้งอัตตาทั้งนิรัตตาแลว่าไม่มีทั้งอัตตาทั้งไม่มีอัตตาคือไม่มีภาวะตัณหาที่จะสแสวงหาอัตตาและไม่มีภาวะทิฏฐิที่จะยึดมั่นในเรื่องอัตตาให้เกิดเป็นอัตตาทิฏฐิหรืออุเฉธาทิฏฐิขึ้นอีกในยะหนึ่ง อธิบายว่าไม่มีทั้งมีอัตตาอยู่ทั้งหมดอัตตาไปคือเดิมเคยยึดว่ามีอัตตายึดว่านั่นนี่เป็นอัตตาและวมาเข้าใจไหมว่าอัตตาไม่มีเลยกลายเป็นอัตตาหมดไปหรืออัตตาหายไปคำภีวิสุทธิ์ที่มากล่าวความไม่น่าฟังว่า ผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้เสวยผลก็ไม่มีจนถึงผู้สร้างสังสารวัตรไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าหรือพระพรมหามีไม่มีแต่ธรรมะล้วนๆย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยคือเหตุประกอบกันเข้ารับกับที่กล่าวในอัตถกาวิพังว่าเมื่อหาตัวสัตว์ไม่ได้ก็ย่อมไม่มีทั้งความเที่ยงทั้งความขาดศูนย์ ที่บางครั้งพูดกันว่าอัตตาขยายใหญ่โตนักทำลายอัตตากันเสีบ้างนี้พึงทราบว่าเป็นเพียงสำนวนพูดมีความหมายว่าความถือมั่นในอัตตานั้นเพิ่มขยายแน่นหนานักควรทำลายความถือมั่นนั้นเสียสิ่งที่ต้องทำลายคือความถือมั่นในอัตตาไม่ใช่ทำลายอัตตาเพราะไม่มีอัตตาที่จะต้องทาลาย การคิดทำลายอัตตาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุเฉททิฏฐิคือความเห็นว่าขาศูนย์อัตตาเป็นเพียงภาพที่ภวะตันหาขับดันให้สร้างขึ้นซ้อนไว้กับสิ่งอื่นๆที่มีอยู่แล้วตามธรรมดาของมันอัตตนั้นจึงไม่มีอยู่ต่างหากและจึงไม่มีอยู่จริงอันหนึ่ง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 คือมุ่งผลดี ท, ที่จะเกิดแก่ชีวิตของผู้ที่ทรงแนะนําสั่งสอนทรงสั่งสอนที่เขานําไปใช้ประโยชน์ได้การแสดงอนัตตาแบบแรกเช่นเรื่องขันห้าตามหลักไตรลักษณ์นั้นมีจุดหมายชัดเจนว่าเพื่อปลดเรื่องผู้รับคําสอนให้พ้นจากความถือผิดเห็นผิดที่เป็นโทษแก่ชีวิตของเขาให้เขาสามารถอยู่อย่างหลุดพ้นมีจิตใจเป็นอิสระ มีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นส่วนการตอบเพียงเพื่อสนองความอยากรู้ตามแบบหลังเป็นการส่งเสริมความคิดฟุ้งซ่านเพิ่มเชื้อสําหรับให้ความยึดถือที่มีอยู่แล้วใช้สร้างความเห็นขยายตัวออกไปจึงทรงนิ่งหยุดเข้าไว้แค่นั้นที่พูดมานั้นเป็นการชี้แจงอธิบายอย่างกว้าง เพราะมีหลายคำถามรวมกันอยู่ทีนี้ก็น่าจะตอบอีกครั้งให้จำเพาะลงไปที่คำถามว่านิพพานมีอัตตาไหมเป็นอัตตาไหม